สิ่งที่เป็นค่าสุดทั้งลี้ลับทั้งเปิดเผแยแก่สัตว์โลกไม่มีอะไรเกินี่เลกคูที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุและตัดขาดสะบั้นออกจากจิตใจอันเป็นที่ส่องสูงที่เกิดที่อยู่ ที่กอเกวของกิเลสได้นั้นมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวท่านพระองค์เดียวเท่า น, นั้นในขั้นเริ่มแรกนอกนั้นไม่มีใครสามารถสะลารู้ทันกลมายาของมันได้เลยโดยเหตุนี้โลกจึงยอมจำนวนต่อมันโดยไม่มีข้อคิด ใ, ใดที่จะนำมาคัดค้านมันได้ว่าเป็นไัยจะแสดงออกมาในกิริยาท่าทางอันใดส่วนดีในส่วนชั่วส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะให้เป็นความเลื่นลึงบันเทิงหีความเขี้ยกเขียใ จ, จแสดงผลเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมา ก็มีแต่เรื่องมันครอบแล้วหมดไม่ให้ทราบเรื่องโทษของมันบ้างเลยทธรรมชาตินี้จริงเป็นสิ่งที่ละเอียดก่อนมากที่สุดทางหละตํามหลักธรรมชาติของหมนหาพระพุทธเจ้าไม่มาอุบัติตรเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกแล้ว ก็เหมือนกันประหนึ่งว่าอยู่ในโลกกันต์นรกคำว่าโลกกันต์นรกนั้นยังมีการมีเวลาที่จะหลุดพ้นหรือผ่านพ้นขึ้นมาได้เหมือนนักโทษตลอดติดคุกตลอดชีวิตก็ยังมีผ่อนผันกันมาได้ไม่ตลอดจริงๆ ในเื่อเวลาเป็นสิ่งที่ตัดทอนเข้ามาทางโลกเขาถือว่าในทำความดีความชอบในความเป็นนักโทษของตนต่อประเทศชาติบ้านเมืองย่นเข้ามาผ่อนเบาโทษนั้นเข้ามาแทนที่จะติดต่ีทิต ด, ดังที่ตัดสินไว้นั้นเลยกลับกลายพ้นออกมาได้ ส่วนโลกันตะจิตที่มืดมิดไปด้วยทีเลตประเภทต่างๆครอบนำอยู่ตลอดเวลานี้หากไม่มีพระพุทธเจ้ามาชมแนะนำสั่งสอนแล้วจะไม่มีวันผ่านพ้นไปได้เลยไม่เหมือนโทษตลอดชีวิตของนักโทษในเรือนจำผิดกันอยู่มาก เห่งที่ครอบนี้ละเอียดเกินกว่าความรู้ธรรมดาของเราที่ไม่มีอาจมีทำเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่มีทางทราบได้ตลอดไปมื่อเหตุนี้กี่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่พระองค์นั้นจึงเป็นมหามงคล เป็นความรูสัจจ์แต่โลกจนหาประมาณไม่ได้เพราะจะทรงเป็นผู้อถอนขนสัตว์หรือถอนโลกให้พ้นจากโลกันตานั้นขึ้นมาได้เป็นพักๆหรือเป็นวักเป็นตอนจนหยุดพ้นไปได้ตามกําลังของผู้นั้นจะตะเกียกล่ำได้มากน้อยเพียงไร ความช้าความเร็วย่อมเป็นไปตามนั้นเพราะการได้ยินได้ฟังพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แม้จะทรงสั่งสอน <c oughs> ด้วยพระโอษฐ์ก็ดีหรือจ้จดจารในคำพีบาลายอันเป็นแบบเป็นฉบับถือเมี่อมาจากพระองค์ก็ดีหากไม่ได้ยินได้ฟัง ทำที่กามาแล้วนี้ก็เรียกว่าไม่มีหวังแต่เมื่อได้ยินได้ฟังนี้แล้วก็ค่อยหลุดลอยขึ้นมาโดยลํำดับเพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าเกิดแล้วในโลกนี้จึงเป็นเหมือนธรรมชาติที่อาศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อประโยชน์แก่โลกเพราะธรรมาพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วกับธรรมธรรมชาติที่สว่างก็าจางแจ้งทองทางให้สารโลกได้เกิดขึ้นในขณะเดยียวกัน พระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วก็คือสักขีพยานแห่งพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเป็นลําดับตําดามาที่ว่าพระสม์ไม่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วนะลกูกนี่คือผลแห่งการแสดงของพระองค์ <c oughs> นี่เราก็จะว่าอุบัติขึ้นมาในเพศของพระก็ไม่ผิด เกิดขึ้นบาเป็นมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปไม่มีอะไรแปลกอุบัติขึ้นมาในความเป็นนักบวชนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากในบุคคลแต่ละคนเพราะได้เข้าสู่วงศาธนธรรมอันถูกต้องดีงามหรือเป็นสถานที่เป็นแหล่งที่จะซักฟอกสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและเป็นโทษทั้งหลายนั้นให้ค่อยตีกาง ยืดเสื่อมคลายหายไปโดยลำดับลำดับจิตเริ่มมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความทักพอกของธรรมมีเล่าที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานซึ่งจะทำได้โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรขัดขอด้องยุง่งเหยิงเหมือนคราวาส เขาเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะบำเพ็ญตนให้ถูกต้องดีงามโดยลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางตามทางของศาสสดาที่ทรงสั่งสอนไาแล้วทุกแง่ทุกมุมด้วยเหตุ น, นี้จึงมีนักบวชเท่านั้นที่เป็นผู้มีความเจริญ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 หรืปีกแยะออกไปปีนรู้ว่าปีนเราคือหลักธรรมหลักที่ไหนอันเป็นสว่วนขาจะทําด้วยกันทั้งนั้นการทำรั้วไว้ด้วยศีลก็คือการปิดกั้นทางที่จะผิดที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้เดินทางนั้นไม่ให้ปีนออกไปสู่ภัยสู่อันตรายทั้งหลายมันจะนํามาสิ้นโทษ และดำเนินตามสายทางคือมัชชิมาเป็นลำดับลำดาไม่ติดแจากหลักมัชชิมานี้หรือความอุตส่าหพยายามไมุ่ดละทอถอยอย่างไรต้องถึงจุดที่หมายปลาทางโดยไม่ต้องสงสัยผู้จะถึงจุดหมายปราทางคือ ผ, ผู้เช่นไหน ถ้พูดถึงเพศก็คือเพศนักบวชจะเป็นผู้ถึงจุดหมายปลายทางได้สะดวกยิ่ยงกว่าประชาชนทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันเพราะสมณ ะ, ะไม่มีกิจการงานยื่นหยิวุ่นวายหลายด้านหลายทางเหมือนคารวะมีหน้าที่ ก, การงานอันเดียวคือการบำเพ็ญตนการชำระตน นในเอียบทต่างๆปัจจัยเครื่องสนับสนุนก็มีพร้อ ม, มอยู่แล้วไม่ทำให้เกิดความขัดข้องอยุ่งเหยิงด้วยปัจจัยทั้งหลายเพราะมีพร้อมแล้วมใีใจหน้าที่ของเราที่จะดำเนินตามหลักธรรมหลักที่ในมาให้ปิกแวะตามสายทางแห่งมัจฉะมิมมาปฏิปทานี้เท่านั้น เราต้องมีความหมายมั่นปั้นเหมือนอยู่ภายในตัวของเราและเชื่อมั่นในตัวเองเสมอที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยข้อปฏิบัติของตนคือฉันทะวิริยะอิตะติมังสาเป็นสำคัญมีความพอใจในงานของตนที่ทำ คือการดำเนินตามหลักมัชฌิมวิยะถภาพเดียนโดยสม่งเสมอไม่ลดละ ท, อ ท, อทอ้อถอยปีตะมีความฝักไป่ใจใจอยู่กับงานนั้นไม่ถืองานใดเป็นสาระสำคัญยิ่งกว่างานคือการบำเพ็ญของตนเกี่ยวกับเรื่องสมาธิ ป, ปัญญา วิมังสาอย่าได้ปราสจากความใจรองพินิจพิจารณาจะทำอะไรควรใช้ปัญญาเสมอไม่ว่าติดนอกการไหนนี่ก็เป็นธรรมที่จะให้ถึงจุดที่หมายได้สัทธาวิรญาสติสมาธิปัญญานี่ก็เช่นเดียวกันศรัทธาความเชื่อมั่นต่อมักผลมีแล้ว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 สมาธิอันเป็นผลจากความภาพเพียรเหล่านี้จะไม่เป็นอื่นต้องเป็นความเหนียวแน่นมั่นคงขึ้นมาภายในจิตใจดวงที่เคยว่าแวก่อนแคนนั่นแหละปัญญาเป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องเป็นิพิจนาเสมอในการเวลาที่ควรจะพิจารณาอย่าไปคิดคาดถึงขั้นสมาธิขั้นนั้นจะใช้ปัญญาขั้นนี้จะใช้ปัญญาถึงเวลาจะใช้ปัญญาให้ใช้ ปัญญากับสมาธิอยู่ในจิตดวงเดียวกันเป็นอาการของจิตด้วยกันที่จะซักฟอบเลือกตับฟันกิเลสประเภทต่างๆซึ่งหุ่มห่ออวจิตใจนี้ให้ขาดไปได้โดยลำดับเช่นเดียวกันจริงไม่ควรคิดถึงเรื่องสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ที่จะเต่าเดินทางด้านปัญญาให้มากไปกว่าการเวลาที่เหมาะสมซึ่งควรจะทา อีกให้เป็นสมาธิหรือจะก้าวเดินทางด้านปัญญาเพศของพระนี้เป็นเพศที่แน่นอนเป็นเพศแห่งนากรบอย่างชัดแจ้งอยู่แล้วให้มีความเชื่อมั่นในตนพระพุทธเจ้าและภาษาท่านท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่ามนุษย์ทั้งหลายในความเป็นมนุษย์สมบัติ เราก็ไม่ไวิกลมีการอะไรในเครื่องมือที่จะนํามาใช้สําหรับอัดทำแก้กิหลสทั้งหลายนี้มีอย่างเดียวกันกันกบท่านเพศของพระนี้กับเพศของพระครั้งพุทธการก็เป็นพระที่สมบูรณ์แบบตามหลักตามหลักสากุนิยมเช่นเดียวกันเนื้อทำทั้งหลายที่จระทานไม่แล้วก็เป็นประทำเป็นพระธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาไม่มีทำข้อใดที่ล้าสมัย ซึ่งจะนำมาใช้ผลใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นธรรมที่พร้อมเสมอซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ได้โดยลาดับธําดาของผู้บํเพ็ญส่วนมากมักจะมีแต่กิเลสเข้ามาเหยียดย่ำทำลายไม่ให้คิดถึงดีถึงชั่วอะไรได้เลยคิดประจําเรื่องของกิเลสนี้เป็นสําคัญมากในวันหนึ่งคืนหนึ่งงไม่ปรากฏผลที่ เพิ่งบังพอเท่ากับแสงหิ้ห้อยบ้างเลยประกอบมีตั้งแต่กิเลสทํางานบุญหัวใจเราทั้งทั้งที่กําลังทําความภาคเปลี่ยนอยู่นั่นแหละมีเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องคิดเสมอกิเลสทุกประเภทมีประเภทใดบ้างที่ล้าสมัยใช่ไหมละ่ะให้เราคิดอย่างนี้สําหรับนักธรรมะที่จะฆ่ากิเลส เราอย่าไปคิดถึงเรื่องอัดทมซึ่งเป็นของจิงที่จะนำมาฆ่ากิเลสแค่แลหลกเสียดแต่นั้นว่าเป็นธรรมที่คือที่ล้าสมัยแต่พุทธเจ้าปฏิพาวนานไปแล้วเท่านั้นเท่านี้ธรรมที่สอนไว้นี้สอนมาแล้วตั้งแต่โมโนจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นสิ่งที่คือเป็นสิ่งที่ล้าสมัยนี่เป็นปมายาของกิเลสที่เข้าทำลายธรรมในขณะเดียวกันก็เข้าทำลายความเชื่อความเมื่นใส เข้าวทำลายความภาคเพียรของเราแล้วเข้าวทำลายมรรคผลอิพานอันจะพึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละคนมายาของกิเลสมันแทรกเข้ามาอย่างนี้ส่วนกิเลสเองมีตัวไหนตั้งแต่ครั้งใดๆมาก็ตามว่าเป็นกิเลสที่คืบที่ล้าสมัยใช้ไม่ได้แล้วยานํากิเลสประเภทนั้นมาใช้ประเภทนั้นล้าสมัยไปแล้วเก่าแก่ข้ามข้าเชาลาหลุดลอยไปหมดแล้วยานาํามาใช้ไม่เกิดประโ ไม่เคยมีเกลเอตตัวใดแสดงออกมานี้กล่อมได้ทั้งนั้นทําให้เกิดความทุกข์เป็นพิษเป็นภัยได้ด้วยกันตั้งแต่สมัยโน้นจนกระทั่งสมัยนี้และยังจะเป็นอีกต่อไปมากน้อยเพียงไรไม่มีกําหนดกดเจณไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเลยมันผิดขึ้นมาเป็นเกลเอตได้ทุกขนาดทุกเวลาเวลาและผิดผลทุกให้เกิดแก่จักรโลกตลอดไป ยังเรียกว่โลกันตาจิตโลกันตาเนรกดูภาในจิตใจของเราที่ถูกกิเลสมันครอบให้มืดมิดปิดตานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเหล่านี้เป็นของปลอมทําไมเราจึงเชื่อเพราะมันกล่อมจิตนั้นให้กลายเป็นจิตปลอมไปตามมันจิตทั้งดวงเลยกลายเป็นจิตปลอมไปตามกิเลสมดเพราะฉะนั้นกิเลส ก, ก็ดิกขี้แพ่งออกในท่าใดจึงเป็นไปนตามเรื่องของกิเลสโดยไม่คมํานึงว่าผิดว่าถูกดีชั่วประการใด นี่เวละที่มันไม่ทันกันเพราะกรเด็บมันหนาแน่นมันเมื่อไม่ปิดตามันให้กระดิบพลิกแพงไปด้วยอํานาจของมันเท่านั้นไม่ได้กระดิบพลิกแพงจิตใจออกไปด้วยอํานาจแห่งธรรมเลยนี่เรามาบวชในพุทธศาสนาแล้วนำธรรมเข้าสู่ใจตั้งแต่เริ่มแรกเกีตนาที่จะบวชก็เป็นธรรมอยู่แล้วได้บวชมาแล้วเห็นประจักษ์ตนก็เป็นธรรมท่านเป็นอยางนั้นก็ประพฤติปฏิบัติรักษาตามที่ขบววิไนตลอดถึงธรรม ในแง่ต่างๆนําเข้ามาประยุกต์กันกับพิเลศจะมีทำข้อใดบทใดบาตใดมาเป็นของปลอมทําเป็นของจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยสวดขาราธรรมล้วนๆอยู่แล้ ว, ว, ว, แ, ลวและเป็นนีญาณนี้กระทำอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับพิเลถ้าน้ำมาปราพกิเลศจะต้องหลุดพิเลศจะต้องหลุดลอยไปเช่นเดียวกันหมดทุกประเภทการทำ ขอให้นํามาใช้นํำมาเพื่อปฏิบัติอย่าให้เสียเวลาเวลาอย่าให้กิเลสหลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดืนเดินนั่ง น, นอนจะหาสาระตามเจต น, นาของตนไม่ได้แต่นักบวชเราไม่สามารถปฏิบัติตนให้เป็นไปได้ตามความมุ่งหมายแล้วใครในโลกนี้จะปฏิบัติได้คําว่าอํานาจวาสนามีอยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่ เราซึ่งเป็นนักบวชและกําลังบําเพ็ญอยู่เวลานี้เราจะไปหาอํานาจวาสนาที่ไหนก็หาจากหรือเพิ่มพูนขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรในท่ความดีทั้งหลายนั่นแหละทางเรียกว่าการสังสมอํานาจวาสนาเมื่อสั่งสมไปนานมันก็อํานาจก็มีมากอํานาจของธรรมสติก็แก่กล้าปัญญาก็รวดเร็ววิทยะความภาคเพียรก็เพียรได้เป็นอัตโนมัติ เมื่อถึงขั้นที่จะเป็นตปได้นี่คือความแก่กล้าในทางธรรมธรรมมีความแก่กล้าก็ต้องมีความสามารถฉลาดรู้ทานกลมายาของกิเลสต่อเพศต่างๆซึ่งเคยปกปิดหรือครอบงาจิตใจให้มืดมิดปิดตามมาเป็นเวลานา น, านจะกี่กับกี่การก็ตามเถอะเช่นเดียวกับความมืดที่มีประจำโลกนี้มันจะมืดมานานเพียงไรก็าตามพอเปิดไฟขึ้นฉะนั้นความมืดจะกระจายหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างล้นลวนเท่านั้น นี่ก็เช่นเดียวกันวิเลยจะเคยทราบนำหัวใจมาอย่างมืดนิดปิดตายหาทางออกทางเข้าไม่ได้ก็าตายเมื่อได้นําสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันเป็นเหมือนดวงไฟที่สว่างจ้าเข้ามาใช้ากาจัดกิเลสแล้วความมืดบอดทั้งหลายจะต้องค่อยกระจายตัวไปสุดท้ายก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นพี่ใจดวงนี้โดยไม่ต้องหาเว ล, เวลาที่ไหนมาตัดสินกันปัญญานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินความเพียรของเราเนี่แหละเป็นเครื่องตัดสิน การกับกิเลสตั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านนามานี้มาตัดสินกับกิเลสท่านไม่เอาการไม่เอาสถานที่ย่ลําเวลาไม่ได้คํานึงถึงวาสนามากสนาน้อยอะไรมากยิ่งกว่าการเขารบพันหันแหลกกันกับกิเลสที่จะให้หลุดรอยไปชนั้นจนกระทั่งกิเลสได้หลุดลอยไปเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนของพออระองค์แล้วได้มา ส, สอนพวกเราตั้งหลายทางองค์ต่าง ม, มาอบรมศึกษาขอให้คิดึ ในเรื่องของตัวโดยเฉพาะเฉพาะอย่าเอาเรื่องอื่นใดหรือของบุคคลผู้ใดที่เห็นว่าไม่เป็นสิริมงคลอันจะเป็นค่าศิลต่อตนอย่างน้อยเป็นค่าศิลต่อตนอย่านํามาช้าอย่านํามาคิดให้คิดในวงของตัวเองที่จะเป็นอัดเป็นธรรมคิดเรื่องของผู้ใดก็ให้เป็นเรื่องอัดเรื่องธรรมเป็นเรื่องค่ากิเลสไปในตัวอย่าคิดเรื่องสังสมกิเลสขึ้นมาเผาโดยหัวใจตัวเองจะเป็นเทวธาตุทาลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวการอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะ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 อันแสดงอยู่ภายในจิตนี้ให้เห็นชัดเจนกันตรงนี้แล้วแก้กันตรงนี้จะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมอัดทาโดยแท้นั่นอเรื่องคิดภายนอกเกี่ยวกับคนนั้นเป็นอย่างนังน้นคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นนิสัยของกิเลสที่เคยฝังจมมาเป็นเวลานานมาบวชเป็นพระแล้วมันก็ยังต้องเป็นต้องติดตามมาด้วยเพราะมันไม่ได้บวชใครจะบวชสัตว์ลายก็ตามกิเลสต้องเป็นกิเลสประมุขถ้าไม่แก้ไม่ตกถ้าไม่ทําลายไม่แตก ต้องทำลายผู้ปฏิบัติต้องดูหัวใจของตัวเองความเคลื่อนไว้ในแง่ใดให้ทราบให้ทันความกระเพื่อมของจิตทิ่คิดออกไปในแง่ใดทางใดดีชั่วประการใดจึงคือผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้ทันเรื่องของิเลสที่ละเอียดแหลมคมมากจึงต้องในสังสมสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอพอที่จะได้ทราบ กิเลสประเภทนั้นๆโดยลําดับลาลาไปจนกระทั่งทราบโดยตลอดทั่วถึงแล้วทะลุ ป, ปูผงทําลายไปได้หมดไม่มีเหลือไปไหนใดยิ่งจะทราบได้ชัดขึ้นเรื่องอาการของจิตที่มีกิเลสเป็นผู้ผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้สราบความเป้าหมายในเรื่องต่างๆนั้นกาพความคิดตุ้มของจิตของขันของจิตที่ออกมาเป็นขันล้นลวนๆต่างกันมากน้อยถึงหลายจะทราบได้หมดโดยตลอดทั่วถึง ขัน ท, ที่มีกิเลสเข้าแท้มีกิเลสเป็นผู้บงการย่อมจะแสดงมาออกออกมาในทางกิเลสทั้งหมดไม่มีอันใดที่จะแสดงมาเป็นธรรมเพราะกิเลส ก, กับธรรมเคยเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหไห น, ไหนแล้วเมื่อได้ชำระกันจนกระทั่งหมดเชื้อที่จะผลักดันออกมาไม่มีแล้วแม้ขันจะมีอยู่ก็ตามลูกนีอยู่ก็ เห็นเป็นตามความจริงของรูปแต่ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราของเขาของใครทั้งนั้นเวทนาคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายก็ทราบว่าเป็นความจริงอันหนึ่งไม่เห็นว่าเวทนาคือความทุกข์นี้ไปให้โทษให้ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยในตัวเองในธาตในขันนี่ที่แสดงขึ้นมาในภาตหในขันนี้ทุกข์นั้นก็สับแต่ว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาตามหลธรรมชาติของตนและก็ไม่ทราบความหมายของตนด้วยนี่จะเิตเป็นผู้ไปทราบแล้วมายึดด้วย เหมารู้แล้วนั <c oughs> ่นก็เป็นชากแต่กิริยาที่สแสดงออกมาเท่านั้นชัญญาความหมายความจำก็สับแต่ว่าจำไม่ได้สังจิตสังใจให้จิตใจนั้นรุ่มหลงไปตามสัญญาสังนขานความคิดความปุงก็เหมือนกันเป็นแต่เพียงอาการหนึงหยึงหนึ่งจึงเรียกว่าขันร่วนๆไม่มีอะไรเข้าเคลือบแสงคือกิเลสประเภทต่างๆไม่มาเป็นเจ้าตัวการ มาปรับตันมาใช้ขันนี้ให้เป็นกิเลสไปตามตัเมื่อได้เห็นชัดทั้งขันที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้บงการและเห็นชัดทั้งขันที่มีกิเลสมาเป็นเจ้าบังคับการนั้นแล้วย่อมจะเห็นชัดโดยตลอดทั่วถึงว่าต่างกันอย่างไร mm. เวลานี้ขันของเรามันเป็นขันนักโทษผูกิเลสตก ท้งถูกกิเลสบังคับบัญชากดขี่กมเข็งให้คิดให้ตุงให้สัมพันธ์มั่นหมายประทางใดเป้นไปตามมันทั้งหนาไม่มีแง่ต่อสู้ต้านทานเพราะรู้ไม่ทันมันความคิดทั้งหมดจะผิดประการใดก็เข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นของตนและเข้าใจว่าถูกเสมอไปอืมีเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าถูกเส ม, เส ม, เเเเมอเข้าฝ่ายตัวเสมอเข้าปลายตัวคือเข้ากิเลสกิเลสไม่ยอมเข้าฝ่ายไกลนอกจากฝ่ายมันอย่างเดียวเท่านั้นผู้ปฏิบัติจริงต้องให้ทราบ อันใดที่เป็นเรื่องเข้าตัวนั้นเข้าตัวเองเข้าฝ่าตัวเองนั้นนั่นแหละคือเรื่องที่เด็กกอบคยหาผมประดยชเข้ามาสิบตนให้มีมากม ม, มีกําลังมากขึ้นถ้าเข้ากับเหตุกับผลนั้นเป็นเรื่องธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องปราปร า, ามที่เด็กความเห็นแก่ตัวออกได้โดยลำดับเพงมีความเสมอภาคพ า, ายจใจิตใจให้ความสมุภาคกับสิ่งทั้งหลายให้ความจริงตามส่วน นั่นๆของสิ่งทั้งหลายสม่ำเสมอกัาไม่ได้คล้องได้แวะกับสิ่งใดเลยนี่คือจิตที่พอตัวจิตที่รอบภายในตัวแล้วย่อมไม่ติดย้อมไม่พันย่อมไม่สําคัญมั่นหมายกับสิ่งใดที่จะถือมาเป็นโทษเป็นภัยเผาหลนตนเองและไปเผาหลนผู้อื่นผู้ใดอีกต่อไปนี่การปฏิบัติให้ดูจิตซึ่งเป็นดัวก่อเหตุสําคัญยาไปดูคนนั้นยาไปดูคนนี้ยาไปคิด ตีความหมายคนนั้นเป็นอย่างนั้นตีความหมายคนนี้เป็นอย่างนี้ให้ตีความหมายของความคิดความปรุงของตนที่มันแสดงออกมาด้วยความเป็นโทษโดยที่เราไม่รู้ให้ใช้ปัญญาเข้าไปจดจอ่อพิจารณาขี้คาดูตามเหตุการณ์ที่มันแสดงออกมาจากทราบไปโดยลําดับแล้วมันก็ระงับตัวลงไปไม่แสดงรุนแรงแล้วต่อไปก็ระงับดับได้พอปรุงขึ้นมาเรื่องใดก็ตามที่จะเป็นภัยแต่ตนเองย่อมทราบทันทีกันทีแล้วระงับดับกันลงได้ทันที นั่นชื่อว่าอุบายของธรรมอุบายของสติปัญญาท่านกัปปมายาของสิเดสิเดสจ้ะหมดอำนาจไปโดยลาดับนี้มีการปฏิบัติตนให้ปฏิบัติอย่างนี้การแสดงท่านที่การแสดงว่ะมองกันให้ให้มองในแง่เหตุผลมองในแง่เหตุการะเมตต า, ม, ตามองในแง่แห่งความให้อภัยกันนั่นเป็นประเภทหนึง่งแห่งธรรมที่ปร ะ, ประเภทอันจาพันก็คือให้มองดูจิตของตน มันปรุงออกไปกับเรื่องใดกับบุคคลผู้ใดดีชั่วประการใดให้ดูตัวนี้ตัวก่อเห็นแสดงออกมานี้กระเพื่องออกมาที่นี่พากระเพื่อออกไปแล้วก็ เ, เป็นเรื่องเป็นลาขึ้นมาแล้วกลับมาหลอกเจ้าของนี่เป็นสําคัญดูจุดนี้อย่าดูที่อื่นถึงที่ว่าคู่ปฏิบัติดูจิตเป็นสําคัญกว่าอื่น การทำความภาคเพียรอย่าทําพื่พลราบแบบโลกโลกแบบลวกลวกใช่ไหมละ่ะอย่าเอาเวลาเวลาเข้ามาเป็นใหญ่กว่าความต้องการที่จะรู้จริงเห็นจริงจากความเพียรของตนไม่ว่าจะเป็นําประเภทใดที่เราต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นให้มีความหมายมั่นตั้นมือกับทำประเภทนั้นด้วยความเพียรของตนอย่าลดละ ดังที่เคเกล่าวอยู่เสมอสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทําไมจิตมันจึงสงบไม่ได้ถ้ามีความจริงจังต่อกันแล้วเป็นไปได้หรือที่ไม่สงบไม่ได้ก็คือไม่มีความจริงเท่ากิเลสที่มันทําเรานั่นเองมันทําพิษเรามันทําจริงทําจังกิเลสตัวไหนออกมาทําจริงทําจังไม่นี่มีธรรมะรอแหละเหมือนเราที่จะแก่กิเลสค่ากิเลสปราบตางกิเลสเราทํ า, าททด้วยความเราแหละไม่จริงไม่จัง มีแต่ให้กิเลดย่ำดีเอาทุกๆครั้งที่ต่อสู้กันหากมีการต่อสู้แต่หมอบราบนี่มันสําคัญมากนะมากจะมีแต่การหมอบราบตรงรู้สึกตัวที่เลือดตัวได้ออกมากรอกก็หลับไปเลยหลับไปเลยทั้งๆที่ยังไม่นอนหลับมันก็หลับไปเลยในะความเพียงนั้นแหละนี่สาคัญพิจะนณานด้วยดีธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลิศขอให้ได้ปรากฏขึ้นกี่ใจเถอด ไม่เคยรู้ก็เห็นก็ตามเห็นองค์菩萨จะไดาเห็นองค์ธรรมทั้งหลายเห็นพระสงฆ์จะเป็นสักขีพยานขึ้นอย่างเต็มตัวภายในจิตใจตามขั้นแห่งธรรมนั้นๆถ้ายิ่งถึงยิ่งถึงขั้นยิมุติบุดพ้นเต็มดวงภานใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วเท่านั้นหาความสงสัยในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เลยเพราะเป็นอันดีโอกัสนี่แหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะถากดเห็นตรงนี้ เพราะความจริงเป็นเครื่อ ง, งยืนยันที่ทำที่กามาณที้อยู่ที่ไหนเวลานี้ถูกปิดห่มหอ่อหรือถูกกรอบไว้อย่างสนิทจากกิเลสประเภทต่างๆธรรมชาตินี้จึงไม่ปรากฏออกมาได้ความเพียรของเราก็คือขุดการขุดคุยสิ่งที่ปกคุมห่มหอนี้ด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้ของจริงนั่นเริ่มฉายแสงออกมา เช่นสมาธิธรรมเป็นต้นเริ่มฉายแสงออกมาด้วยความสงบเย็นใจจากนั้นก็ฉายแสงออกมาด้วยความสงบแน่วแน่นี่ลําดับต่อไปก็ใช้ปัญญาหรือถอนสิ่งที่ปกคลุมหุ่นหอด้วยอุปาทานความยมั่นถือมัน่นเพราเหตุในความรุ่มความหลงนั่นแหละเป็นสำคัญไม่หลงไม่หยุดถ้ารู้แล้วไม่หยุดถ้ารู้เป็นของกิงเต็มส่วนแล้วตั้มต่อยเต็มพู่ ไม่มีอะไรเหลือแต่นี้ไม่รู้นี่ที่เรียกว่าก้นมายาของจิตเลมันละเอียดมากที่สุดมันเึงสอนให้พิจารณาเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปถึงการเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจะทําสมาธิให้มีจิตมีความสงบเยือก เ, เย็นพอเป็นกําลังหรือเป็นบาทแอ่งนี้ปัญญาก็ให้ทำเพราะทาทั้งทั้งสองนี้มีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกจิดไม่สงบจะพาพิจารณาอะไรมันได้เรื่องได้าไราวเลย ยิงโน่นยิ่งนี้เพ่นโน่นเพ่นี้ถ้าไหลถ้าไหลอะไรจะเร็วยิ่งกว่าพี่เล็กนี่มันรวดเร็วมากตามไม่ทันจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการหลายอย่างตามแต่จลิบนิสัยที่จะนํามาใช้ธรามมีอยู่ตลอดเวลาและมีอยู่ทั่วไปเราจะคิดแต่พ้จนจะพิจารณาอะไรซึ่งเป็นเครื่องแก้เครื่องสะท้อนแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปดูตั้งแต่ตำหนักตาลาคำภีรอยู่ตลอดเวลาถึงจะมาแก้ที่เหลือได้ กิเลสมันไม่เห็นไม่มองดูคำภีรมันทำไมมันเป็นกิเลสออกมาทุกขณะที่มันแสดงขึ้นมาในหัวใจของเราได้เหยียบย่ําทําลายจิตใจของเราให้ชอบช้าหรือขุ่นมัวไปได้ทุกๆุขณะจิตทุกๆุขณะที่ท ก, กิเลสทํางานมันมีตัวกิเลสตัวไหนไปไ ป, ไปมองดูตำหนักตำหน่าไม่เห็นมีมันทำไมมันเป็นกิเลส ข, ขึ้นมาได้ทุกระยะการที่จะแก้กิเลสภายในจิตใจของเราด้วยอุบาสติปัญญาซึ่งก็มีอยู่แล้วในตําน่าทําทไมเราจึงจะแก้มาได้อุบาสของสติปัญญาประเภทต่างๆที่จะ ปรากฏขึ้นมาภานจิตใจนั้นมันแล้วแต่อุปนิสัยนี่แล้วแต่สดิบนิสัยของใครที่จะคิดจะค้นออกมาอะไรเงี้ยอะไรที่จะเป็นเครื่องพาดพันหันแบบประเลียทเป็นใช้ได้ทั้งนั้นให้นํามาใช้อย่าดูเฉยๆอยู่แบบลอยๆเลื่อนๆ่อยๆนักศึกษากับครูกับอาจารย์ก็ไม่เป็นท่าเป็นทางเอาแต่ความสะดวกสบายของกิเลสมาเหยียบย่าทำลายตนและเหยียบย่ำทำลายหมู่เพื่อนให้หนักตึงไปหมดทั้งวัดใช้ไม่ได้ต้องมีความคล่องตัวนักปฏิบัติ ยาอืดอาจเหนื่อยหนเรื่องของธรรมเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องมานอนกันมาประมาเอาเนื้สัยความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอเข้ามาเหยียบย่ําทําลายตนและเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันมันหนักหิ่งกว่าอะไรภูเขาทั้งโลกมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ขึ้นมามันไม่เคยมาทับมาถมคนนี่ที่พระนี่ที่มันเอาเรื่องนเรื่องน้ําเข้ามาเหยียบย่ําทำลายซึ่งกันลกันอันนี้จึงหนักยิ่งกว่าอะไรเป็นภัยยิ่งกว่าสิ่งใดจึงควรระวังตนด้วยกันทุกคน หัวใจมีทุกคนสติปัญญามีเพื่อทําความสงบเยื่เย็นให้แก่ตนและเพื่อทำความสงบเ่ื่เย็นให้แก่การั น, นทําไมเราจะทําไม่ได้อันเป็นฝ่ายทำเช่นนี้ยี่เดลี่ยมทำไมมันผึ้ขึ้นมาได้รวดเดียวนะต้ง ม, มาแก้กันเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งรอบหนึ่งตามสมมติว่ายี่สี่ชัออ่วโมงมันไปอยู่ยังไงจิตมันทํางานอะไรมันถึงไม่ได้เรื่องได้ละ่ะ ตั้งใจทํางานจริงๆมันทําไมมันสงบไม่ได้ทําไมถูกจูงจมูกจากที่เหลืทั้งหลายตลยอดเวลาทำไมจะไม่เป็นธรรมธรรมนี้สอนเพื่อความสงบร่มเย็นแท้ๆในด้านสมาธิธรรมพอดีด้านปัญญาท่านก็นสอนเพื่อความเฉลียวฉลาดทําไมมันจึงไม่ฉลาดล่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมจะนอนอยู่เหมือนหมูนั่นจะฉลาดตลอดวันตายต้องหาทางฉลาดไม่ได้เลย ปัญญาท่าไม่นำมาคิดคน้นดีจะเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองต้องใช้ต้องคิดต้องคน้นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอเวลานี่แหละเป็นสิ่งที่ปลุกสติปัญญาของผู้ที่จ้องมองที่จะพิจารณาอยู่แล้วโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าแบบหลับหูหลับตาอยู่นั้นอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์จะถูกจนกระทั่งสีสันแตกมันก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีตามองนี่ไม่เพราะไม่มีปัญญาพิจารณา มันยินโดนอยู่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยๆมันเลยสีสานแตกไปนู่นมันก็ไม่เห็นไม่รู้เหตุพูดให้ฟังอยู่เสมอศาสาธรรมคือตลาดแห่งมรรคนิพพา น, น, นสงสัยไปที่ไหนพร้อมเสมอที่จะแสดงผลให้เห็นแก่ผู้บำเพ็ญเหตุถูกต้องดีงามและสมบูรณ์เต็มที่ผลจะแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ประจักษ์ใจไม่แสดงที่ไหน จะแสดงที่ใจคำว่าธรรมมีอยู่ในโลกก็คือใจดวงนี้เลยจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์รับรทราบธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่ในส่วนอื่นไม่มีทางที่จะรับทราบได้ตาหูจมูกลิ้นตายเป็นสภาพอันหนึ่งที่จะรับทราบเป็นเครื่องมือที่จะรับทราบในสิ่งต่างตามนิสัยของตนแต่ใจนี้สามารถรับทราบได้หมดไม่ว่าทางโลกทางธรรมแต่เพราะอย่างยิ่งคำว่าธรรมมีอยู่ใครจะเป็นผู้รับทราบใครจึงผู้ยืนยัน นะทำนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนนอกจากสัมผัสสัมพันธ์ใจและเกิดขึ้นที่ายมากน้อยโดยลำดับของความสามารถของใจเท่านั้นเกิดขึ้นที่นั่นพากันทำมาคเมนเอาให้จริงจังการจมอยู่ในกิเลสนี้ไม่มีใครวิเศษวิโส ต, ต่างกันอะไรเราเห็นกันอยู่แล้วนี่หากจะวิเศษคนมีกิเลสทั้งโลกนี่สามเดนโลกธาตุใครที่ว่าไม่มีกิเลสมันมีเมื่อยหาจะวิเศษวิโสมันเขาวิเศษวิโสไปนานแล้วไม่มีใครมาจะต้องนอนจมและบ่นให้ทุกข์อยู่นี้ ท, ทั้งที่มาหาทางออก <c oughs> นี่เราหาทางออกด้วยทำแท้ๆ ท, ทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ลองพิจารณาสอนแทบลม้มแทบตายสอนหมู่สนนามคณะสอนมาเป็นเวลานา น, านมีวิธีแหวแ ว, วพอให้เห็นเด็กเห็นผลให้ด้เป็นกําลังใจพอเป็นสักขีพยานบ้างมันก็จะเรียกว่าไม่มีมันก็น่าจะพูดได้เลยมันเป็นอะไรท่ามที่สอนนี้ไม่ได้สอนแบบ รูปดำกำตามาสอนกันไม่สอนแบบดำดำกำขาวสอนแบบด้นเดาสอนเ้ืยอความหนักจริงๆทั้งฝ่ายเหตุที่ผ่านมามากน้อยหนักเบาขี่เพียงไรก็ได้นามาสอนใยเพื่อนถึงทนนหักจะเกิดขึ้นก็จะปิดอยู่ได้ยังไงก็ต้องนำมาสอนหมดดังที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วมันไม่ถึงใจบ้างเหรอนั้นเป็นยังไง สึงที่ถึงใจฝังใจก็มีแต่กิเลสเท่านั้นเหรออย่างอื่นจะวิสิทธิ์วิสนั้นไม่มีแล้วเหรอนั่นถึงไม่สนใจนั่นถึงไม่ปฏิบัตินั่นถึงไม่เจอกันทำมาทําประเสริฐประเสริฐมันอะไรเดี๋ยวนี้ประเสริฐมันมีแต่กิเลสถือกิเลสเป็นประเสริฐเชื่อกิเลสมากยิ่งกว่าธรรมแล้วจะเห็นธรรมได้งไงธรรมจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะจะปรากฏขึ้นบ้างถูกกิเลสตบ ต่อยสัทีเดียวแหลบไปแหละไปถูกกิเลเสเผาซะแหลบไปหมดคำว่าตปธรรมเลยไม่ได้เผากิเลสแล้วจะหาความมิเสียวิโสมาจากไหนเกิดชาติใดก็าตามมันก็คือความทุกกองทุกอันเดียวกั น, น, นคำว่าวเกิดก็เกิดทุกทพร้อมๆกันมันมีเสียวิโสอะไรเกิดแก่เจิดตายมิเสียวิโสที่ไหนเมื่อแน่ตั้งแตเป็นการหาบหามกองทุกข์มาทั้งมวลตั้งแต่วันเกิดจนไม่งถึงวันตายมีช่องว่างที่ตรงไหนในสคกลกายและจิตใจของเรานี้ ที่จะว่างออกจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ทับผมจนทีเรามันเห็นมีนำธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปบ้างสิจะเป็นอย่างไนความสุขจากธรรมกับความสุขอย่างอื่นต่างกันยังไงความทุกข์ทางในทางความเพียรเพื่อปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งแทงทะลุจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ให้มันโล้กันสิส่วนทุกข์จากกิเลสเหยียบย่ําทําลายเราเคยทุกข์มาแล้วไม่สงสัยกันพอจะก้าวเข้าสู่ธรรมมีความทุกข์เล็กเล็กน้อยน้อยกลัวแต่จะล้มจะตาย เวลาให้จีเดียดเหยียบย่าทำลายกี่พบกี่ชาติทำไมไม่เห็นกลัวเป็นกลัวตายกันไม่ใช่มันกล่อมจนจมมิตไปแล้วเหรอพิจนานะที่สติปัญญามีอย่างไรจะผ่านพ้นไปได้ด้วยอุบายของตัวเองให้นํามาใช้อย่านอนนิ่งนอนใจอยู่เฉยการทึ่มาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ก็เป็นของไม่แน่นอนทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมีการผ่าผ่าผันแปรกันไปได้ทั้งฝ่ายทั้งเป็นทั้งตายจริงเรียวกว่าโลกอ น, นิจจง ในขณะที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมก็ควรจะคำัะคำ่นในความภาคเปลี่นของตนยึดอะไรยึดให้จริงให้จังิงอย่าทำละหลออแล้หละไม่ใช่เรื่องของทำความละหลออแล้แหละเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันหวานมันร้อนไว้หมดตักเสียบห่ากน้าไม่เต็มไปหมดรอบหัวใจกายวาจาของเราเรายังไม่ทราบว่าเราอยู่ในวงร้อนหรืเปล่าเวลานี้นี่เราจะบุกเบิกวงร้อนออกไปด้วยอาจด้วยทำทำไมจึงติดกป็นอันตู้ไปั้งหมดแล้วจะหาความดีเสื่อมโศมาจากไหนควรคิดให้มาก ผู้ปฏิบัติเราจะหวังความพิเศษวิเศอะไรนอกจากธรรมเท่าไหร่เห็นอะไรนั้นได้เห็นกันมาแล้วพอจะคิดในแง่ธรรมเหมือนกับว่าอะไรก็สุดเอื้อหมดหวังไปหมดนั่นฟังที่ความคิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของจิเหล็กสุดเอื้อมหมดหวัง น, นี่นก็ทําให้ท่อแท้อ่อนแออ่อนเปียไป มันได้เข้มแข็งให้ได้เห็นประจับตัวบ้างสิเวลามันอ่อนปวกเปียกก็ให้รู้เวลามันมีความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะกําลังบางชาของผลที่ปรากฏขึ้นนับแต่ความสงบขึ้นไปหนึ่งเพราะกาลังบางชาของสติปัญญาที่สอดแทรกตัดการทันแลกกับกิเลสขึ้นไปเดิมลำดั บ, ดบจนเป็นกําลัง จ, จิตใจให้หมุนตัวไปด้วยความเพียรนั้นเ่งก็ให้มันเห็นกันได้ามากเทียบเียงกันบั่งสิขณะที่ ร่องลุกลุกคลานเป็นยังไงขณะที่นี้ขณะนี้เป็นเวลาเป็นขณะที่เปลียนไกลที่สุดทั้งด้านความพากเพียรทั้งด้านสติปัญญาแล้วกิเลสหมอบลาบเริงดับดั บ, ดบก็เห็นชัดๆสิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้ในวงปฏิบัติในผู้ปฏิบัติแต่จะไม่เกิดกับหมุงขึ้นเขียงไม่ยอมลงให้พากันฟังให้ถึงใจห้ามตะเกียกตะกายใครก็เหมือนกันพระพุทธเจา้าขอตะเกียกตะกายเหมือนกัน เรามายอมรับพระุทธเจ้ามาเป็นสถา น, นะเรากล่าวทำไมพุทธทางสนงกักฉามนี้พระ อ, องค์ล้างมือเปิดเมื่อไหร่ตะเกียกตะกายสลบสะไหลเห็นอยู่แล้วในตำล่าภาษาวอกก็เหมือนกันไม่ใช่ท่านผู้ล้างมือเปิดเป็นผู้ตะเกียกตะกายมาโดยกันเราดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าทำไมถึงต้องอ่อนแอไม่อยากตะเกียกตะกายแต่จะจะให้ดีพิเศษล้นโลกเป็นไปได้ยังไงมันเป็นอาถานะเป็นไปไม่ได้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 โดยประการทั้งปวงแล้วกล้าไปด้วยความภาคเปลือนของตนอันจะตะเกียกตะกายทุกอยางละหมากขนาดไหนก็ต้องยอมรับกันแต่ไม่ยอมถอยหลังถึงเวลาที่มันจะเกลี้ยงไก ล, ลันก็เป็นไปเองเมื่อความภาคเปลียนได้หนุนอยู่เสมอเสมอสติปัญญาเมื่อฝึกหดัดอยู่ไเรื่อยแล้ย่ อ, ยอมมีความแกร่้สามารถไปโดยลำดับ จนกลายเป็นสติปัญญาเตลมัิหรือเป็นมหาสติมหาปัญญาได้จากความเพียรของผู้บำเพ็ญหรือของผู้บำรวมอยู่เสมอนั่นเองแล้วเห็นประจับภายในใจด้วยแล้วมาเทียบกันกับเวลาดลบุคคลานในขณะที่จิตได้มีความเคลียงไกทั้งความภาคความเพียรทั้งความเฉลียวฉละทุกด้านทุกทางเข้าไปแล้วกับความดลบุคคลาณไปยังไงน่นที่จะมาถึง ขั้นนี้ก็มาจากการรู้คูคราคูกคร า, านั่นแหละมันเป็นบทเป็นบาทเคลื่อนหมุนกันมาเป็นลําดับตําดาจะไมาให้เดินทางสายนี้จะไปเดินไปไหนเป็นยังไงก็ต้องยอมรับทุก็ต้องยอมรับกันถึงเวลาสุขมันจะปรากฏขึ้นมาจากความทุกข์ตะเกียดความตะเกียบตะการนั่นแหละไม่ไปจากไหนสุดท้ายเมื่อจิตมีกําลังเต็มที่สติปัญญารอบตัวแล้ว ความรู้สึกเปลี่ยนไปหมดนั่นเอากลายเป็นอัตโนมัติอยู่ไหนก็เพียรอยู่ไหนก็มีสติอยู่ไหนก็มีปัญญาอิเดียบทใดก็มีความเปลี่ยนคือสติปัญญารอบตัวตลอดเวลาจนกระทั่งค่าศึกมันได้หมอราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วสติปัญญานั้นก็หมดความจําเป็นไปเองโดยไม่ ไม่ต้องได้ตรดได้ตรงกันด้วยเจรนาเนี่ยหางหมดไปเองโดยหลักธรรมชาติเพราะส่วนมากก็เป็นสมมุติสติปัญญาก็เป็นสมมุติแก้สมมุติคือกิเลสประเภทต่างๆเป็นสมมติทั้งหมดสติปัญญาก็เป็นสมมุติทั้งหมดเมื่อแก้ได้ทะลุปูผงจนไม่มีสินใดเหลือแล้วสมมุติทั้งทั้งสองภาคนี้ก็เป็นอนัตหมดความจําเป็นไปเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาจะทาความเปลี่ยนหากหมดความจําเป็นไปโดยหลักธรรมชาติของตนเอง โดยไม่ต้องบังคับเพราะค่าสึกหมดไปแล้วนี่จิตไปไหนอีกนี่ไม่ได้อยู่ในสองภาคนี้จิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่กับสติไม่ได้อยู่กับปัญญาไม่ได้อยู่กับความภาคความเปียนประโยคพยายามต่างๆที่เคยดําเนินมานั้นไม่ได้อยู่ในจุดนั้นจุดนั้นและไม่ได้อยู่กับกิเลสอยู่กับความบริสุทธิ์นั่นแล้วความบริสุทธิ์นี้มาอยู่กับอะไร เพราะทั้งมวลเป็นสมมุติธรรมชาติที่บริสุทธินี้เป็นมิมุตถ้าอยู่ว่าก็อยู่กับมิมุตแต่คำว่ามิมุตก็เพิงทราบว่าเป็นสมมุติอันหนึง่งธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่ชื่ออันนี้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นถ้าอยู่ก็อยู่อันนั้นนี่คือผลที่เพิงหวังเต็มหัวใจตรงนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วเต็มหัวใจไม่มีทางปิดทางแวะ ไม่มีความหิวความหยความอยากซึ่งเป็นมรคคืออยากหลุดอยากพ้นก็ยุติกันลงทุกสิ่งทุกอยาก่างยุติกันหมดเหมือนเราไปสู่ที่นั้นเมื่อถึงที่นั้นนะความอยากมันก็หมดเราต้องการความพ้นทุกพยายามตะเกียบจักรจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์แล้วความอยากพ้นทุกข์ก็หมด ความอยากประเภทนี้ผู้นทราบว่าเป็นมากมีกําลังใจมีความภาคความเปลี่ยนถ้าไม่อยากเอาความเปลี่ยนมาจากไหนความอยากเป็นกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาสามการมขหนาว่าตัณหายิ่งเพราะตัานั่นเป็นสายกิเลสส่วนความอยากหลุดพ้นและประกอบความภาคเพี่ยนนี้เป็นความอยากที่เป็นสายมาก ความอยากอันนี้แลไปทาลายความอยากอันนั้นเมื่อนั้นหมดไปแล้วอันนี้ก็หมดไปตามๆกันเพราะเป็นสมมุติด้วยกันนับติสันติประรังสุขขังสุขอื่นได้ยิ่งกว่าความเบื่อสุดดุดพ้นอันเป็นความสงบตายตัวนั้นไม่มีก็มีเท่านี้ทุนพากันตั้งอกตั้งใจเอาให้กินให้จาอยาแล้วแหละคอนเนยาชินชากับความภาคเพีย อย่าหวังสิ่งใดในโลกามิตรหรือโลกสมมติทั้งหมดมีเท่านั้นแหละเท่ามันมีเป็นเท่ามันเป็นนั่นแหละไม่นอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังนันตานี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้จงขอทําจิตให้ได้หลุดพ้นจากวงแห่งอนิจจังทุกขังนันตานี้เถอะจะหายสงสัยโดยประการทั้งปวง<ม>การแสดงธรรมแค่นี้ เอาความจริงเขาพูดนี่มาลุมลุกมันอยู่อย่างนี้ี่ว่าไงมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นบนสมองพอทางด้านพอหนาทัอนนั้นเริ่มมันลงมาทางนี้ทางนี้แล้วมันไม่ขึ้นเรียนหนังสือมันขึ้นขึ้นบนสมองนะ น, นีพาหนาไม่ขึ้นมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่พันเริ่มแรกถึงความสงบมันลูกมันลุตรงนี้ลุกตรงนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่ง มันเป็นความรู้ความป่องใสเป็นจุดเด่นของมันอยู่นั่นมันก็อยู่ตรงกลางเอเชียเอาอันนั้นหมดไป ม, มันก็อยู่ภายน ใ, นในเอเชียรู้อยตรงกลางเอเชียแต่มันไม่รู้เป็นจุดเท่านั้นเองรู้อยตรงกลางนี้อีกแต่ายึดไม่ได้นะว่าตรงกลางนี้คือที่ไหนคืออะไรมันเป็นจุดตรงไหนมันไ ม, ม่มันก็อยู่ตรงนี้เอง มันซ่านอยู่ในของมันมันไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนอขึ้นมานี่ก็ทราว่าเป็นอาการมันออกมาใช่ไหมมันไม่รู้อย่างนั้นที่การปฏิบัติกล้าหาญที่จะพูดตามความจริงไม่มีสะทกสะท้านก็ทอดเอาจากความจริงที่เป็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่นี่ไปพูดมันจะถิดไปไหนสะทกสะท้ า, ทานอะไรขอให้มันรู้เถอะว่าไม่สะทกสะท้าน แม้จะเทศนาว่าการก็เหมือนการเทศนาว่าการกับคนชั้นไหนชั้นไหนมันไม่ได้เห็นมีชั้นอะไรนี่ว่ากันก็อย่างนั้นความรู้ น, นะนั่นเท่านั้นผู้รับฟังก็คือจิตรู้ไป็นศรัทธาที่ไหนเคน่นี่คนชั้นนั้นชั้นนี้พวกปัญญาชนพวกผู้มีความรู้สูงสูงเป็นปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกว่าก็ว่าอเฉย ความจริงมันเหนือสิ่งเหนั้นมันจะไปเอาสิ่งนั้นมาเป็นอุปสรรคมาทับมันอะไรห้าอะไรันนั้นมันเป็นสมมตุติจะมาทับจิตอันนี้ยังไองอานนี้เป็นจิตอันนี้เป็นความจริงโดยสมบูรณ์ในตัวเ้าจะไปสะทกสะท้างอะไรมันเป็นอย่างนั้นความจริงทำไมจะพูดอะไรก็พูดได้เต็มเม็ดเต็หน่วยนอกจากไม่พูด จะไปกลัวจะไปเกงใครกลัวจะเสียอกเสียใจในเมื่อสิ่งที่พูดนั้นถูกเหมือนั้นก็ไม่ปรชิดไปตามเหตุตามผลไปตามอัตตธรรมไม่ไปตามบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งใครจะหวั่นอะไรไปกลัวอะไร มันคอยเทศหรือนั่งตัวสั่งแต่นั้นผมก็เคยเป็นแต่ <c oughs> ก่อนมันเคยเป็มันเป็นอยู่ภายในนะมันสั่งอยู่ภายในจิตมันั่นมีความจริงในตัวมันอาศัยแต่ความจิตความจํามาว่าเฉยความจริงด้ปรากฏขึ้นมากน้อยมันก็พูดได้ตามขั้นแห่ปรากฏคือตามขั้นแห่งความปรากฏเช่ิงเป็นสมาธิอย่างนี้ โอ้มันก็วิาหารเจนนิดนึง่มันแน่ปนปึ๋งอ่ะแต่มันไม่สนใจจะพูดกับใครสอนใครเราจะมันพยายามแก้จากของมันละเยียดยิ่งกานั้นไปถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วยิ่งใครมายิ่งยุ่งไม่ได้เดี๋ยวทางานตัวเองตลอดเวลานั่นเดีย๋ยวเหมาะที่สุดใครมาคุยด้วยไม่ได้ไม่พูดอันนี้ก็ยังคิด ถึงอยูอที่น้องผือยืนยันวันนั้นก็แค่ใครใคร่อกส่ผมเนาะคือมาทำไมไหลแล้ ว, วมึง ค, คนก็อนจะว่านวดเส้นไม่นวดไปเส้นเส้นแล้วก็เลยไม่ไม่มีอะไรนวดนะอืคือมันมันไม่ไม่อยากพลาดจากงานบุญยังไงนะแล้วมันติดต่อกันอยู่นั้นพัวพันกันอย่นั่นจะมามัว เมื่อเส้นแก้เส้นอยูออะไรกันพันก็ตื่นขึ้นพันกันแล้วเป็นเองมันก็ไม่เคยคิดว่าจากสอนใครนั่นยึ่งว่าดีอันหนึ่งดิ้แล้วได้ภาวนาเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยตลอดไปเลย ตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติไม่มีคำมากการนก่อการสร้างยุ่งเหยางวุ่นวายกับอะไรไม่มีเลยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนกระทั่งได้ ม, มาถูกเจตสันค์ั้นยอว่าเป็นครูาอาจารย์ของหมู่ณะได้ไม่ยุ่งเลยเป็นงานทรนหนัอนนี้ ขั้นสมาธิันโอหอาหารเเหมือนกันแต่มันเจ๋นในขั้นสมาีินั้นขั้นเจ๋ตามภูมินปัญญามันมีอาหารไปอีกแบบนึงมันตามที่มันพิจารณานันได้อุบายต่างๆมันเป็นของมันเองที่จากนั่นไปแล้วก็เลยในเศร้ามันมีโาหารนู่นมีใครมาประเทศอะไร้างไปนั่นประเทศแถวเน้าหายเงียบหนูเหมือนไม่ได้เทศนะตะเทศยดซ้าของเก่ากี่ครั้งกี่ผลก็ไม่รู้ ไม่สนใจชีวว่ายนี่ได้เทศแล้วนั่นยังไม่ได้เทศมันมีในปัจจุบันก็ว่ากันตามหลับปัจจุบันพอจบไปแล้วก็แล้วถ้ามันจะซ้ำมของเก่ามั่ก็ซ้ำในซ้ําในหลักปัจจุบันไม่ได้ซ้าในความค่าชีพมันเป็นเพื่ในวงปัจจุบันแต่เสียงเป็นสำคัญมันกระทบกระเทมไม่ได้ขนาดพิเศษจะว่ามีโมหันนี่มีโมหานมันกระพูดไม่ถูกอย่างทุกวันที่จากอันนั้นมาแล้วมัน ก็มีโมหะมีโมหะมันก็ไม่ถูกไม่เป็นอารมณ์มีอะไรก็ว่าไปตามเรื่องที่ในปัจจุบันเพราะเทศน์ตรงน่ะหาเนี่ยผ่านเนยเหมือนไม่ได้เทศคนอื่นจําได้ที่เราเทศแต่เราผู้เทศเองจาไม่ได้เพราะไม่ได้เทศเพื่อจำเทศตามความจริงหูเพื่อนที่อยู่ในกันให้ดูกันนะอย่าให้เดยหนักอกหนักใจหูหนักหนัก อุทําให้อยู่บนบ่ามอือกัณฑ์มีนะอย่าให้เลยพูดนะเรื่อหยาบเพราะวัดปฏิบัติที่เป็นเรื่องความสามัญที่จะต้องจัดต้องทําซึ่งเป็นความจําเป็นของแต่ละรายละลายที่เรียกว่าข้อวัดประจําตัวนะอย่าให้ใน้พูดอยาให้ได้บอกนะของหรนีย้ยำหยาบนี่